สิกขาบทที่หภิกษุนีมีพรรษาครบสิบสองแต่สง์ยังไม่ได้สมมุติบวดให้กุลธิดาต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังบวดให้ต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อบวดให้แล้วต้องอาบัตปาจิตตี